ยังไงมายังไงกันนี่ชายันยังเห็นในอาการตื่นเต้นมึนงงไม่3างทำไมถึงมีไอ้ผีกองกอยฝูงนั้นไต่ย้วยเยือล้อมหน้าล้อมหลังมันมาด้วยคําถามนั้นคือข้ออัศจรรย์ใจพิศวงสําหรับทุกคนซึ่งละพินก็ไม่สามารถจะตอบได้เช่นกันบางทีมันอาจจะเป็นสัตว์ประเภทที่หากินร่วมกันแบบนกเอี้ยงเลี้ยงควายก็ได้ครับมีควายหากินอยู่ที่ไหนเรามักจะเห็นนกเอี้ยงป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้เคียงเสมอบางทีก็เกาะประจําอยู่บนหลังควายคอยหาตัวเหลือบไรกิน เจ้าผีกองกอยกับตะขาบยักษ์นี่ก็คงอยู่ในลักษณะอย่างเดียวกันเพียงแต่เรายังเดาไม่ถูกว่ามันมีผลประโยชน์อะไรแลกเปลี่ยนกันเท่านั้นอีกอย่างนึงเท่าที่เห็นเมื่อตะกี้ก็รู้สึกคล้ายๆกับว่าพวกผีกองกอยจะคอยทำหน้าที่นำทางให้ไอสัตว์ตีนตัวมากพวกนี้ น่าจะจริงอย่างที่คุณสันนิษฐานหัวหน้าคณะเห็นด้วยแล้วเหงื่อหน้ามองไปยังต้นพลิกที่มีรอยถึงลูกและยอดอ่อนหลดลงมาเปลือนกระจายอยู่กับพื้นพึมพำต่อว่าหน้าแปลกมากมันมาเก็บพริกพวกนี้นี่เองจะให้เข้าใจยังไงกันนี่นี่เราบ่ายหน้ามาทางนี้โดยการตามทิศทางที่พวกผีกองกอยทําไว้ให้แล้วจูจ่ๆมันก็ไปนําทางไอ้ตะขาบยักษ์สวนทางเข้ามาหาเรามันจะหลอกให้เรามาตายหรื อ, อยังไง ชายันใช้สมองอย่างเต็มที่พยายามอ่านรูป ก, การทุกคนพากันนิ่งงงไปชั่วครู่และผินจึงว่าอ่านยากเหลือเกินครับว่ามันเป็นอะไร ถูกแล้วที่เราเดินทางมาด้านนี้โดยร่องรอยที่พวกมันทำไว้เหมือนต้องการจะให้เราตามมาแต่ลักษณะที่พวกมันนำทางตะขาบยักษส์สวนมามันก็ไม่น่าจะมีเจตนาอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเลยดูเหมือนพวกมันฝูงนั้นจะไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าเราหลบกันอยู่ที่นี่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันควรจะนำตะขาบให้ตรงเข้าใส่เราทันทีที่มาถึงพวกมันมารู้สึกตัวและตกใจหนีไปก็เพราะขยินทเห็นหล่นลงไปนั่นเอง มันคงจะเป็นคนละพวกกับไอตัวหัวหน้าที่แงสายต่อยไปและนำทางให้เราตามมาไอ้ผีกองกอยจะต้องมีอยู่หลายฝูงบุญคำสอดมา ไม่มีใครกล้าที่จะแสดงความเห็นอย่างใดอีกทั้งสิ้นเพราะมันเป็นปัญหาอันสุดที่จะคาดคะเนดได้ขณะนั้นดาวรินกับมาเรียซึ่งช่วยกันตรวจดูลักษณะส่วนหัวของมันอย่างพินิจพิเคราะห์ค้นหาก็ร้องเรียกทุกคนมาด้วยเสียงอันตื่นเต้นเมื่อต่างภูเข้าไปนักมนุษยวิทยาสาวก็ใช้ลํากล้องปืนชี้ให้ดูเขี้ยวทั้งคู่ของมันซึ่งข้างหนึ่งถูกลูกปืนเชิฐาเด็ดหัวไปครึ่งหนึ่งอีกข้างหนึ่งยังอยู่เรียบร้อยมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษหรือน้อยทั้งสาชายพากันจ้องงง ยังนึกไม่ออกว่าดารินมีจุดสนใจอะไรถึงร้องเรียกมาและผู้ถามก็คือชายหยันพิจารณาให้ดีสิไม่รู้หรอกหรือว่ามีอะไรผิดปกติอย่างที่เขี้ยวของมันนี่มันผิดไปจากเขี้ยวของตะขาบธรรมดาดารินกล่าวโดยเร็วเชษฐาชายยันและละพินมองหน้าราชส ก, กุลสาวและพยายามจ้องสำรวจอีกครั้ง ก็เน่าจากความใหญ่โตมโหูรานขนาดยักษ์ของมันแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินิดน้อยพี่ชายกล่าวตำตำกระบอกคิ้วทั้งั้นทุกคนก็มองความความจริงไปซะแล้วอย่างหนึ่งหลอนว่ามองไปทางรับผินผู้ยังงงงงอยู่คุณลาะนายพานคุณเห็นอะไรในที่ฉันเห็นอยู่หรือเปล่าพานใหญ่สันหน้าอย่างสารภาพผมยังนึกไม่ออกเลยครับว่าคุณหญิงหมายถึงอะไรก็พิษของมันอย่างที่ตะขาบคุณจะมียังไงล่ะ หลอมบอ่ทุกคนไม่เห็นออกหรือว่าเขี้ยวของมันทั้งสองข้างนี้ไม่มีรูของน้ําพิษผิดไปจากเขี้ยวตะขาบธรรมดามันเป็นเขี้ยวลักษณะปิดตันคล้ายเขี้ยวสัตว์สีเท้าธรรมดาไม่มีร่องหรือท่อระบายน้ําพิษตรงปลายเขี้ยวเลยอาวุธสําคัญที่มันจะใช้ฆ่าศัตรูจะต้องไม่ได้อยู่ที่พิษอย่างเด็ดขาดแต่จะดูที่ความแหลมคมของเขี้ยวสําหรับใช้หนีดหรือคีบแบบกันไกเท่านั้นไอ้ตะขาบตัวนี้มีเขี้ยวก็จริงแต่ไม่มีพิษ ทั้งหมดลืมตาโพงและเพิ่งจะมองเห็นความจริงตามคำพูดของหญิงสาวหล่อนช่างสังเกตและละเอียดสมกับที่เป็นแพทย์และนักศึกษาชาติพงมนุษยวิทยาจริงของหล่อนเขี้ยวอันใหญ่โตม้หือมาประหนึ่งเขาวควายของตะขาบยักษ์คู่นั้นไม่ปรากฏว่ามีรหูหรือท่อน้ำพิษอยู่ตรงบริเวณปลายเขี้ยวทั้งสองเลยลักษณะของเขี้ยว มีฟันจากแหลมคมเหมือนฟันเลื่อยหรือมิฉะนั้นก็ปากของปาชนาะอยู่ใต้โค้งด้านในเพื่อสําหรับจะห้ามผ่านหรือตัดเท่านั้นการใช้เขี้ยวเป็นอาวุธย่อมเป็นไปในแบบเดียวกับก้ามปูนั่นเองจริงของนายหญิงเขี้ยวมันไม่ใช่เขี้ยวพิษบุญคําร้องขึ้นอย่างตื่นเต้นประหลาดใจสุดขีดคุณหญิงถี่ท่วนมากครับผมยอมรับว่ามองข้ามความจริงข้อนี้ไปเสียและผินกล่าวขึ้นเบาๆขณะที่ก้มลงสำรวจอย่างถี่ท้วน แต่มันจะมีพิษหรือไม่มีก็ไม่ทําให้มันร้ายกาจสําหรับเราน้อยไปกว่าที่เห็นอยู่นั่นหรอกเขี้ยวอันแหลมคมใหญ่โตราวกับใบเลื่อยขนาดนี้ถึงแม้จะไม่มีพิษแต่ถ้าหนีบถูกเราก็ขาดสองท่อนทันทีความใหญ่โตมโหฬารของมันทําให้ไม่จําเป็นจะต้องใช้พิษเข้าช่วยเลยแบบเดียวกับเจ้ามูยักษ์ตัวนั้น ความน่าเกลียดน่ากลัวของลําตัวมันทําให้ทุกคนไม่กล้าที่จะเข้าแตะต้องใกล้ชิดนักยกเว้นบุญคํากับขยินซึ่งลําๆจะทดลองแล่เนื้อมันออกมาย่างไฟแต่เชิฐาห้ามไว้อย่าอุตริดีกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีอันตรายเป็นพิษอะไรหรือไม่คืนตะกะสว่าปามเนื้อมันเข้าไปโถกุ้งบกนาใหญ่เนื้อหวานอย่าบอกใครถ้าหากมันเป็นตะขาบจริงๆไม่ใช่สัตว์อย่างอื่นที่ลูกล่างดันมาขายตะขาบเข้าตาพันเท่าบอกอ่อยๆถ้า ง, งั้นบุญคําก็กินเข้าไปคนเดียวเถอะ ดาวินว่าพักกันพอหายเหนื่อยและคลายความตึ่เต้นลงบ้างแล้วผานใหญ่ก็เร่งให้ทุกคนพ่าออกจากที่นั่นโดยเร็วขณะนั้นเย็นลงมากแล้วอากาศในโดงทึบเต็มไปด้วยขุนเขาเริ่มขมุก ข, ขมัวลงทันทีรีบไปให้พ้นจากที่นี่เถอะครับอย่างน้อยที่สุดก็หาที่พักสําหรับคืนนี้ให้ห่าง้างไอ้นี่ออกไปหน่อยดีกว่าผมก็ว่าอย่างนั้นแหละอยู่ใกล้ๆมันรู้สึกไม่ค่อยเข้าทีอย่างไรพี่กล ชา ย, ยันพูดแผ่วเบาห่อไหลลงอย่างสยดยองใจใช้ทางเงยหน้าขึ้นสังเกตท้องฟ้าอย่างหนักใจรู้ดีว่าอย่างมากเดินกันได้ไม่เกินสองชั่วโมงข้างหน้าก็ต้องหยุดพักแล้วเพราะมันใกล้ค่ำ้ามาเต็มทีและเขาก็ยังทายไม่ถูกว่ารัฐพินจะยึดหลักใดในการออกเดินทางต่อไปด้วยอะไรล่องรอยของแงาซทรายหรือไอผีกองกอยตัวหัวหน้าจะทิ้งไว้ให้เห็นอีกหรือไม่ในช่วงระยะเวลาก่อนจะมืดลงในค่าคืนนี้ ทารใหญ่คงยึดเส้นทางด่านซึ่งทอดลึกลงไปสู่ก้นหุบนั้นนำาขบวนคารขึ้นหน้าต่อไปอย่างเร่งรีบท่างการภูมิประเทศอันไม่น่าจะไว้วางใจจากพยันจะตายหรือรับเกินความคาดฝันซึ่งจะจู่โจมออกมาเมื่อใดก็ได้ทั้งสิน้นถาวันและต้นไม้บางชนิดเริ่มมีลักษณะแปลกประหลาดพิสดานขึ้น บางต้นงอกตะปุ่มแต่ปำเป็นตาไม้ผิดรูปร่างทำให้มองนูเหมือนใบหน้าของผู้ผีปีศาจที่แสดงดักหลอกล้อถาวันใหญ่บางชนิดก็มองไม่ผิดอะไรกับภาพสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนคณะนายจ้างเห็นจอมพานชักมีดโบวีออกมาจากซองซึ่งเน็บอยู่ข้างหลังบากฟันหรือมิฉะนั้นก็ลิดกิ่เนทำเครื่องหมายไว้เป็นระยะ ะ, ยะสายตาก็พุ่งกลาดไปทุกซอกทุกผง เมื่อแรกเขาเดินเขียงไปกับเชิดาและชา ย, ยานผู้เร่งฝีเท้าเข้ามาเขียงข้างแต่แล้วพอครึ่งชั่วโมงให้หลังขณะที่แสงเริ่มจะน้อยลงไปทุกทีนั้นก็ทิ้งระยะนำรื่งไปเบื้องหน้าโดยที่ทั้งสองไม่สามารถจะเร่งฝีเท้าขึ้นไปได้ทันแม้ว่าจะพยายามสักเท่าไรและนายจ้างทั้งคู่ก็เข้าใจได้ว่ารักถินต้องการจะล่วกหน้าสำรวจร้องรอยไปคนเดียวก่อนบางขณะก็รับตาไปเมื่อเป็นบางมุมเหลี่ยมของหนทางอันรบคืนนั้น มีอยู่ช่วงหนึ่งภายหลังจากเห็นหลังววัยของพานใหญ่รับมุมหินพาเบื้องหน้าทั้งสี่และพวกลูกหากดเล่รู้สึดตามรอยของเขาไปแต่พอถึงหินก้อนนั้นมองไม่เห็นเงาของรับพินเสแล้วเวลาล่วงไปนานจนชักเอะใจผิดปกติเช่ท้าจึงกูเรียกขึ้นเสียงของเขากล้องไปดังทั้งลงทึบเงียบสงัดมีเสียงกูแวววลอยมาจากเบื้องหลังของทุกคน ใช้ถากับชา ย, ยานันอันเป็นคู่แรกที่สาวเท้าเร่งร้อนสบสบไปข้างหน้าขาบวนหยุดชะงักเกิดมองหน้ามาเรียและดาลินเลียวหลังไปอย่างเลลังเลยขณะที่พวกผู้หากทั้ง3คู่คอยชะลอฝีเท้าเอ๊ะยังไงพี่กลฮะรู้สึกว่าเสียงกู่จะมาจากเบื้องหลังเรานะหูฉันฝาดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ชา ย, ยันกระซิบแผวต่ําขะหมดคิ้วฉันก็ได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันคล้ายๆเขาจะเดินวกอ้อมไปอยู่ด้านหลังเรานั่นแหละ ลองเรียกดูอีกสักครั้งสิคะพี่ใหญ่น้อยว่ามันดังมาจากข้างหลังที่เราผ่านมากันแล้วเชิดถากรูอีกครั้งขาดเสียงของเขาก็มีเสียงกู่จางๆตอบมาอีกครั้งคราวนี้ดูเหมือนจะอยู่ในป่ารกขึ้นเหนือเชิงเขาใหญ่ฝั่งขวามือทั้งหมดเริ่มงงหนะักขึ้นมองหน้ากันเองไปมาชายยันจึงกรูอีกครั้งเป็นครั้งที่3สัญญาณตอบก็แววไปอยู่ด้านซ้ายอันเต็มไปด้วยหุบเหวเอาละสิชักไม่เข้าทีแล้วหัวหน้าคณะผื่นพัตัดสินใจอย่างไรไม่ถูก การต้เถียงเริ่มเกิดขึ้นเพื่อนของเขายืนยันว่าดังมาจากด้านขวาอันเป็นทางขึ้นเขาแยกไปจากด่านที่เดินกันมามาเรยกับดารินแน่ใจว่าต้องมาจากด้านหลังส่วนพวกพานพื้นเมืองบางคนบอกว่าอยู่ในขอเผวที่ต่ำลงไปทางด้านซ้ายมันบ่งความหมายชัดว่าต่างได้ยินไม่ตรงกันเลยท่ามกลางเงาป่าที่แลสลัวลาะคุมตะกุ่มยากจะกำหนดสิ่งใดได้ชัดเจน จะให้แน่ยิงปืนเรียกดีกว่าชัยยันทุนกระสับกระส่ายอยู่ต่อไปไม่ได้เงยปากกระบอกไรเฟิลขึ้นในมือแต่เชษฐถาคว้าแขนห้ามไว้อย่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งใช้เสียงปืนพร่าเพื่ออะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าหากว่าพผานใจของเราเดินหายไปลักษณะเดียวกับแง่ทรายยิงปืนเรียกตามที่ชัยยันว่าเธอกับพี่ใหญ่จะได้รู้ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าดารินพุ่งออกมาอย่างประวันใจ เขไม่ควรเดินผ่าทิ้งขบวนของพวกเราไปอย่างนั้นเลยมาเรียบพลินธพรำรอย่างกังวลขึ้นอีกคนหนึ่งระหว่างที่ใช้ถายยืนกัดตินสีปากตัดสินใจอยู่นั้นตาพานเท่าบุญคําก็ทิ้งห่าเดินเข้ามาเดินไปทางทางด่านนี่แหละหนายใหญ่มาโมวแต่กู่เรียกหรือฟังเสียงอยู่เฉยๆเชื่อบุญธรมเถอะ่านใหญ่ยืนเดินอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้แยกไปทางไหนอย่างที่สงสัยหรอกขืนกูเรียกแล้วคอยฟังเสียงมันจะไปกันใหญ่พร้อมกับพูดข่งนขื่นจะชี้ให้ทุกคนไปดูไปยังยอดของเล็บเหยียว เกี่ยวกายที่โผล่ยื่นล้ําทางด้านออกมาริมนพงมีรอยถูกมีดฟันขาดเป็นเครื่องหมายเป็นกิ่งเล็กๆอันแสดงให้เห็นว่าจอมพานผ่านล่วงหน้าไปแล้วตามเส้นทางเบื้องหน้าเขาอาจจะพบกล้องรอยอะไรแล้วเดินอ้อมไปในทิศทางเบื้องหลังเราแล้วก็ได้ชัยยันแย้งมาอย่างสองจิตสงใจแต่ผ่านเท่ายิ้นเครียดเคียดสันหน้าไม่หลอกนายทหารถ้าผ่านใหญ่ย้อนไปอยู่ด้านหลังเราเขาจะต้องให้สัญญาณบอกมาให้รู้ตัวนี่ไม่มีเสียงอะไรจากเขาเลยก็เสียงที่เราได้ยินกู่ตอบเมื่อกี้ยัไงล่ะ ในป่าบางขณะถ้าเรากู่ออกไปร้อยครั้งอาจมีเสียงตอบออกมาร้อยครั้งรอบด้านไปหมดนั่นคือสิ่งที่จะชักนําให้เราหลงเตลิดไปใหญ่พานใหญ่เองก็เคยเตือนในเรื่องนี้ไว้แล้วนายทหารจําไม่ได้หรืออย่ากูเรียกเมื่อแน่ใจว่าอยู่ในที่ขับขันในป่าแน่ใจทางไหนก็เลือกไปทางนั้นมาบุญคำำํานําเองว่าแล้วแกก็ยกหามที่คู่อยู่กับจันทร์ขึ้นใส่บ่าต ออกเดินนำหน้าขาบวนไปถึงแม้ว่าจะมีความลังเลคางแขงใจเช่นไรคณะนายจ้างทุกคนก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะคัดง้างใดใดบุญคำได้เพราะเมื่อปราศจากละพินซะแล้วบุญคำย่อมจัดว่าเป็นพานอาวุโส ท, ที่ควรแก่การไว้วางใจได้เหนือกว่าทุกคนแต่พานเท่าแห่งเขาอุ่มคลึงเดินไปพางก็ใช้มีดหมอของแกเวียนสับไปตามกิ่งไม้ทุกระยะอาการเดียวกับที่ตามเคยเห็นละพินทาไว้ก่อนแล้ว และก็จริงดังว่าพอตา่ขึ้นมาเตี้ยๆลูกหนึ่งเช่ฐาผู้มีสายตาอันคมไวและถี่ท่วนก็เห็นก้นบุรีก้นหนึ่งตกอยู่ดินทางยังไม่ทันดับสงควันกลุ่นบางเหมือน ร, รับพินจะเจตนาทิ้งไว้เป็นหลักฐานให้เห็นเขาก็สะกิดให้ผู้ร่วมคณะอีก3าคนดูพร้อมกับกระซิบใช่แล้วถูกของบุญคำรัพินอยู่ข้างหน้าเราแลวก็ไม่ห่างออกไปเท่าไหร่นะ ชา ย, ยันคือน้ำลายฝุดฟัดันไปมองดูหน้าเพื่อนสาวทั้งสองซึ่งมีสีหน้าอันบอกไม่ถูกแต่ต่างก็ไม่กล่าวคําใดอีกในสิ่งที่ลึกที่ล่นอนหาคําตอบไม่ได้ขณะขึ้นสู่ยอดเนินก็บรรจบกับด่านช้างขนาดใหญ่หนทางเดินโล่งเตี้ยนพอจะสังเกตเห็นอะไรได้ในระยะไกลและกว้างขวางขึ้นท่ามกลางป่าหินที่งอกตะปุ่มตะป๋าทั่วๆไปต่างก็ถอนใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อมองลงไปเห็นร่างของจอมพานครึ่ง น, นั่งครึ่งยืนรอคอยอยู่ก่อนแล้ว ที่หินหมู่หนึ่งใต้ร่มเงากอไผ่แต่ละป้องของไผ่กอนั้นมีขนาดใหญ่สางเรือนหน้าแปะยาวเป็นวาวาก่อนจะถึงข้อแต่ละข้อใบก็อวดใหญ่ขนาดใบพายเราอยู่ที่นี่นานแล้วลุยผู้กองใจ ย, ยันถามโดยเร็วทันทีที่เข้ามาถึงคู่ใหญ่นี่เองครับเรากูเรียกคุณได้ยินหรือเปล่าได้ยินครับแล้วผมก็ตุกกู่ตอบออกไปคุณเดินนําหน้าเรามาโดยตลอดเลยเหรืออ้อมแยกไปทางด้านไหนบ้างหรือเปล่าดาวดินจ้องหน้าซักตาๆ ผมก็เดินตามทางด่านเส้นนี้แหละครับไม่ได้แยกออกนอกเส้นทางไปไหนเลยชัยยันถอนหายใจเฮือกยิ้มป่าๆเกิดปัญไลแล้วไหมล่ะเรวได้ยินเสียงกูตอบจากคุณก็จริงแต่มันไม่ได้ดังอยู่ด้านหน้าที่คุณควรจะอยู่เลยประเดี๋ยวมันดังมาจากด้านหลังประเดี๋วด้านซ้ายประเดี๋วด้านขวาวุ่นไปหมดเกิดจะตามผิดทางซะแล้วดีแต่บุญคํานําทางมาข้าวหลังอย่าแยกล่วงหน้าไปก่อนเลยไปพร้อมๆกันดีกว่าเพื่อความปลอดภัย ใบหน้าของพานใหญ่ยันกระด้างปราศจากความรู้สึกขณะที่ตอบเรียบๆว่าผมเห็นว่ามีบุญคําอยู่ด้วยก็เลยไม่ได้ห่วงอะไรผมต้องการล่วงหน้าดูลู่ทางมาก่อนมันมีปัญหาหนักใจเกิดซ้อนขึ้นอีกอย่างหนึง่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยปราศจากจดหมายไม่รู้อนาคตของเรานี่อะไรหรือน้ําเรามีสํารองกันมาช่วระยะวันต่อวันเท่านั้นภายในรอบ48ชั่วโมงของการเดินทางอย่างไม่รู้อนาคตไม่รู้เป้าหมายแน่นอนถ้าเราไม่พบแหล่งน้ําที่ใช้ดืม่มกินได้เลยจะยุ่งกันใหญ่ ทุกคนพากันอึ้งเมื่อได้ยินคำพูดเพราะเพิ่งจะมานึกขึ้นได้เดี๋ยวนี้เองเชิถากวดาตาไปรอบๆภูมิประเทศแถบนี้มันเป็นยอดเขาเต็มไปด้วยหุบและแองผมคิดว่าเราไม่น่าจะหาแหล่งน้ำได้ยากไม่ใช่หรือจอมพานก้มลงใช้มือกอบฝุ่นอันแห้งผักาจากพื้นขึ้นมาโปอย มันจะเป็นอะไรไม่ทราบรู้สึกว่าฝนจะไม่ได้ตกในบริเวณแถบนี้มานับเป็นแรมเดือนแหล่งน้ําซับหรือแอ่งผู้อาจจะพอค้นหาได้บ้างแต่ก็เสี่ยงอันตรายมากผมตรวจดูแล้วป่าแถบนี้เต็มไปด้วยว่านและใบไม้ที่เป็นพิษสังเกตได้จากที่เราไม่เห็นร่องรอยของสัตว์ใดๆเลยแม้กระทั่งพวกนกนับตั้งแต่เรากรรมกันมาทั้งวันมีทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างไหมหัวหน้าคณะยั่งเสียงและพินล้วงผ้าขนหนูออกมาเช็ดเหงื่อบนใบหน้าและสั่นศีรษะ อับจนเข้าจริงๆก็เห็นจะต้องดูตามป้องไม้ไผ่หรือไม่ก็ถ่าววันน้ำแต่มันก็ต้องแล้วแต่ภูมิประเทศแล้วก็ช่วยได้เพียงแค่ประทางตายเท่านั้นที่ผมเรียนให้ทราบนี้ก็เพื่อจะให้เตรียมตัวคอยรับสถานการณ์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปน้ำเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของเราซึ่งจะต้องประหยัดที่สุดพางเขาก็พยักหน้าไปยังกระบอกไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่ห้อยติดมากับหาบของเกิดและเสย นอกจากในกระติกที่ติดตัวเราอยู่แล้วแต่ละคนก็ยังมีน้ำกองกลางสำรองอยู่ที่นั่นอีกกระบอกเดียวประมาณแกลลอนหนึ่งผมกะว่าพวกนี้ก็คงหมดเอาละเป็นอันว่าพวกเราทุกคนยอมรับรู้สภาพนี้เช่ถาปยักน่ารับคำมาว่าแต่เรื่องเฉพาะหน้าของเราเถอะได้ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมบ้างไหม ราพิมยังไม่ตอบอะไรก่อนในขณะนั้นแต่หันไปออกคําสั่งกับคนของเขาใช้ให้ไปเก็บเห็ดโคนดอกโ ต, โตขนาดชามกะละมังย่อมๆซึ่งขึ้นอยู่ที่คอนไม้ใหญ่หลังกอไผ่ที่เขาพบและหมายตาไว้ก่อนแล้วเพื่อเอาติดตัวไปเป็นสเสบียงด้วยพวกนั้นพอรู้ที่หมายก็พา ก, กันวิ่งไปช่วยกันเก็บโยเร็วอย่างดีใจระหว่างที่ผ่านพื้นเมืองสนใจเก็บเห็ดโคนเขาก็พยักหน้ากับเชฐิฐาเดินนําไปยังด่านช้างที่ขวางทางอยู่เบื้องหน้าจีนให้ดูตรงพื้นอันจับน้ำไปด้วยฝุ่นตอนหนึ่ง คณะนายจ้างทุกคนมองเห็นเข้าก็อุทานออกมาเป็นเสียงเดียวมันเป็นรอยเท้าคนย่ำปรากฏไว้เต็มพื้นอันเต็มไปด้วยฝุ่นนั้นมุ่งหน้าไต่ทางขึ้นไปตามหนทางอันลาดขึ้นไหลเขารอยนั้นปรากฏอยู่ขาดขาดหายหายแต่ก็พอจะให้สังเกตได้ชัดชัดเลยผู้กองเจ้าแนวซ้ายผู้ลึกลับของเราชัยยันครางล่วงหน้าไปนานสักเท่าไหร่แล้วนี้หยกุยกหยงนี่เองครับก่อนหน้าผมจะมาถึงอย่างมากก็ไม่เกิน5้ถึงหนาทีห้า ทั้งสองร้องลั่นขึ้นลืมตาโพงสังเกตดูที่เศษฝุ่นที่ติดอยู่บนใบไม้แห้งนั่นสิครับถ้าไม่หวังว่าจะต้องรอคณะทั้งหมดผมรับรองว่าผมตามทันแง่ทรายก่อนจะมืดสนิทค่ำนี้ก่อนหน้านั้นมันจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบแต่หยกหยกเดียวนี้เองมันเดินนําเราอยู่เบื้องหน้าตามด่านช้างเก่าๆสายนี้แหละผมอยากจะเรียนถามความเห็นว่าจะยอมให้ผมตามมันโดยลําพังซึ่งจะพบตัวเร็วขึ้นหรือเราจะตามกันไปทั้งขบวนซึ่งแน่ล่ะจะต้องช้าแน่นอน ภายหลังจากนิ่งคิดอยู่วิบต้าเดียวเชยถาก็ตัดสินใจเราตามด้วยกันทั้งหมดนี่แหละละพินอย่าแยกกันเลยมันอันตรายอีกอย่างหนึ่งก็มืดเต็มทีแล้วผมคิดว่าถึงอย่างไรเราก็หวังที่จะได้พบแง่าซรายแล้วถูกต้องเราไปพร้อมกันเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ได้รู้เห็นด้วยกันชา ย, ยันเสริมมาโดยเร็วอีกคนหนึ่งพรานใหญ่ไม่กล่าวอะไรให้เสียเวลาอีกในภาวะนี้ดูเขาจะเป็นคนที่พูดอะไรง่ายที่สุด ตะโกนสั่งความกับคนใช้ของเขาให้เคลื่อนที่ตนเองพร้อมกับคณะนายจ้างทั้ง4ี่ผู้ซึ่งขณะนี้เต็มไปด้วยความคล่องแคล่วฉับไวลืมความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าโดยสิ้นเชิงเมื่อแววข่าวแงาทรายต่างเร่งฝีเท้าเดินรุดไปตามด่านช้างอย่างรีบเร่งร้อนใจไม่มีใครเปิตากคำใดนอกจากทำเวลาอย่างเดียว และผินภัยวันแกะรอยที่เห็นเ ห, นหายหายเหล่านั้นไปเต็มสีเท้าของเขาและอีกสี่คนที่เคยชินกับการเดินชนิดนี้เสร็จแล้วสาระยะติดหลังมาแทบจะไม่ยอมหายใจร่างอันแกร่งของจอมพานเห็นเลี้วเไม่ผิดอะไรกับสัตว์ป่าสองเนินติดต่อกันตามหนทางอันโล่งเตียนกว้างใหญ่ราวกับรถแท็กเตอร์ทําไว้นั้นพอรับปลายเนินระยะทอดยาวเหยียดเป็นเส้นตรงลงไปสู่มากและเห็นหนทางเบื้องหน้าไกลโล่องออกไปและพินก็ชะนักร้องออกมาดูนั่น ห่างออกไปประมาณ150หลาท่ามกลางเงาสลัวกลุมเครือของพายทมินสองฝ้าทางร่างต่งางสูงใหญ่ของมนุษย์คนหนึ่งกำลังดุ่มไต่ขึ้นไปเบื้องหน้ากลางด่านช้างด้วยอาการเป็นปกติอัตราเคลื่อนที่สม่ำเสมอแต่ก็รวดเร็วอย่างน่าชงนแง่ไส้รับพินเร่งฝีเท้าขึ้นอีกจนเกือบจะเป็นวิ่งพร้อมกับกูตะโกนเรียกออกไปสุดเสียงเชิดาชา ย, ยันและใครต่อใครอีกหลายคนก็ช่วยกันเรียกวกเวกกังวานเอ็ดอึ่งไปทั้งดงอันเงียบสงบบางเวง เหมือนไม่ได้ยินเสียงเหมือนว่าอยู่กันคนละโลกร่างนั้นคงดุ่มเดินต่อไปในอาการเดิมไม่มีอาการสำเนียกสนใจไม่มีแม้แต่จะเหลียวกลับมามองจอมพานสวัสดไรเฟรอีกกระบอกหนึ่งซึ่งสะพายอยู่บนบา่าทิ้งลงกับพื้นร้องให้บุญคําช่วยเก็บไว้ให้คงถืออยู่ในมือเพียงกระบอกเดียวเพื่อตัดน้ําหนักแล้วก็ออกวิ่งกวดตามสุดสุอเท้าคณะนายจ้างทั้งหมดก็แล่นตามไปด้วยโดยทิ้งให้พวกลูกหาบล้าอยู่เบื้องหลังภาพของแง่ทรายรับเปี่ยมหินผา ตามรูปโค้งของแนวด่านที่อ้อมไหลเขาตอนหนึ่งหายไปจากสายตาที่เฝ้าจับมองอีกหายกลั้นหายใจต่อมาฝ่ายติดตามที่วิ่งกวดมาก็บรรลุบริเวณนั้นด้วยอาการหอบต่ำลงไปเบื้องล่างริบรียวอยู่ในระหว่างโขดหินสองสังอันงอกอยู่รอบด้านร่างนั้นปรากฏให้เห็นอีกครั้งคราวนี้เดินลงเขารักษาระยะทิ้งห่างประมาณ200้อยหลาเช่นเดิมระพินเหนื่อยรำกล้องไรเฟิลขึ้นกระดิกไกปล่อยกระสุนแตกสนั่นวันไหวขึ้นฟ้ากังวานซาบไปหมด ชา ย, ยันก็ระเบิดจุด 0.06 ในโตรของเขาออกไปอีกนัดเป็นการเรียกด้วยเสียงปานฟ้าถลม่มเปล่าแง่ท า, ายคงเดินรุดหน้าไปเช่นนั้นเห็นริ้วๆและดูเหมือนว่าจะห่างออกไปเป็นลำดับทั้งหมดวิ่งตามลงไปอีกมาหยุดพักอยู่ที่บริเวณพื้นราบตอนหนึ่งอันมีลักษณะเหมือนจะเป็นชานบันไดธรรมชาติมองเห็นหลังภายใต้เสื้อกระห่งสีดานั้นอย่างถนัดโดยไม่มีอะไรบงังปิดตานั่นเองผานใหญ่ก็ยกปื่นขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ศูนย์บ่ายลงไปยังภาพที่เห็นและโดยฉับพลันดารินผู้กำลังอ้าปากหอบอยู่ก็ถลันเข้าชนนั่นกูจะทำอะไรนะ่ะเสียงหล่นดังขึ้นผมจะลองยิงปืนไปให้ใกล้เคียงกับตัวมันที่สุดมันอาจจะพลาดไปถูกเขารับรองว่าไม่ให้ถูกผมต้องการเรียกให้มันรู้สึกต้องการดูปฏิกิริยาจากมันขณะที่ลูกปืนเฉียดใกล้ที่สุด ถ้าอย่างนั้นฉันยิงเองดารินพูดในอาการกระหืดกระหอบประทับ300แม็กนั่มขึ้นมือของหลันสั่นเพราะความเหนื่อยศูนย์กล้องขยายสีเท่าสั่นวุบวับไปมาเดี๋ยวเห็นเสื้อด้านหลังขอ ง, งแง่ทรายเดี๋ยวเห็นก้อนหินที่หลับหมายยิงอันอยู่เยื้องไปเบื้องหน้าของร่างคนใช้ชาวดงพเนจรที่กำลังงุดงุดใบคล้ายควายหายเหนือออกท่วมใบหน้าและร่างกายของนักมนุษยวิทยาสาวจนโชคแล้วหลับตาสั่นหน้าร้องแหบแห้งว่าฉันยิงไม่ได้มือสั่นไปหมด เมย์ Me, ช่วยยิงเรียกทีอยากให้พานใหญ่ยิงเขาอาจจะฆ่างแงซสายซะโดยอ้างว่าเป็นอุป ต, าตาวะเหตุมารีฮอฟมันกวาดปา ก, กระบอกจุดสามเจ็ดห้าของหล่อนที่ถือชูอยู่แล้ววางวูบลงปิ๊บตาเดียวก็แผดตูมสนันสะเทือนขึ้น จากภาพพี่ทุกคนพากันจ้องมองดูเห็นข้างๆตัวของแง่สายพูดกำลังเดินอยู่แตกกระจายเป็นฝุ่นขาวมัวเห็นอย่างถนัดระยะห่างออกไปจากร่างนั้นเพียงวาเดียวปราศจากผลใดๆขึ้นทั้งสิ้นร่างนั้นเหมือนไร้ชีวิตจิตใจหรือความรู้สึกสํานึกไม่ได้หยุดไม่ได้สะทกสะทานหรือรับรู้กับลูกไรเฟริลแรงประทะสองตันที่ระเบิดขุนหินใกล้ๆตัวแตกละเอียดเป็นฝุ่นนั้นนอกจากก้มหน้าก้มตาเดินอย่างเดียว มาเรียกระชากปอกเก่าทิ้งอย่างรวดเร็วส่งนัดใหม่เข้ารังเพลิงเล็งอีกครั้งเสียงเชษถาตะกลนเตือนลั่นมาว่าระวังอย่าเร็งให้ใกล้ตัวสะเก็ดหินหรือเศษหัวปืนอาจจะกระเด็นไปถูกเข้าแม่มสาวซัดเปี้ยงกึกกล้องไปเป็นนัดที่สองคราวนี้มันล่นข้ามหัวเลยไปกระทบกับกิ่งไม้ที่ทอดขวางหน้าหห่างออกไปประมาณเจ็ดถึงปดเกกิ่งขนาดเกือบเท่าขาอ่อน หักลั่นเตี๊ยได้ยินมาอย่างถนัดราวกับถูกขวานจามแล้วก็หักพับ ฟ, ฟาดคืนลงขวางทางเดินเจ้าองค์รักพิเศษของดารินคงเดินลุดหน้าลุยหายเข้าไปในกองกิ่งไม้ตรงใบหน้าที่หักหล่นลงมาขวางทางด่านนั้นท่ามกลางความตกตะลึงงันของทุกคนฮ่มันยังไปยังกับหุ่นยนต์หรือไม่ก็รถแท็กเตอร์ชายันสะบทนั่นไม่ใช่แง่ทรายอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ใช่วิ ญ, ญญาณของเขาที่สวมอยู่ในร่างนั้นเจถาพูดเด็วปรือเอาอยัางไงดีครับ เห็นหลังกันอยู่แค่นี้เองแต่เราหยุดมันไม่ได้ตามต่อไปจนถึงที่สุดหัวหน้าคณะบอกแล้วกระโดดไปตามแง่หินอันลาดชันลงไปเบื้องล่างนั้นเป็นคนแรกทุกคนก็เคลื่อนที่อีกครั้งอย่างถึงไหนถึงกันเพราะแรงบันดาลใจจากภาพที่เห็นอยู่กับตาเบื้องหน้าแง่สายอยู่ห่างออกไปเห็นหลังกันแค่นี้เองด้วยท่าทีที่ผิดวิกลเป็นไปด้วยปิศนายุยกให้บุกบันกว่าตามอย่างไม่คานึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้น เมื่อต่างมาถึงตำแหน่งที่มาเรียยิงกิ่งไม้หักลงมาขวางทางด่านไว้เงาของเจ้าคนใช้ชาวโด่งก็อันตรธานไปจักครองจักสุกเสแล้วหนทางเบื้องหน้ายังโล่งยาวพอที่ใช้เรามองเห็นไกลได้อยู่เช่นนั้นแต่ก็มองไม่เห็นวี่แววใดๆทั้งสิ้นหลังจากภาพครั้งสุดท้ายที่ต่างเห็นมันฝ่า ก, กิ่งใบของไม้ที่หักลงมาขวางหน้าเข้าไปบริเวณนั้นเต็มไปด้วยก้อนหินสูงๆูงต่ํา่ใหญ่น้อยเรีงรายอยู่หนานแน่นล้วนซอกมุมลับตาสองฝ้าทางเป็นตีนเนินสองลูกที่ลาดเข้ามาบรรจบ และปีนตรวจหารอยตีนไปยังเส้นทางด่านที่เลื้อยรุดเหมือนจะไม่มีที่สุนสุดชา ย, ยันแยกออกไปยังป่าหินฝั่งซ้ายมือในขณะที่เชิดาก็เดินตรวจไปยังฟากตรงข้ามเพราะสงสัยว่ามันอาจหลบแฝงตัวอยู่ตามหลังก้อนหินที่ใดที่หนึ่งใกล้เคียงทิ้งให้ดาวรินกับมาเรียยืนงงอยู่กลางด่านเพียงสองคนเมื่อถางตะโกนซักถามก็ได้ความว่าไม่ว่าจะเป็นพานใหญ่เชิดาหรือชา ย, ยันต่างก็ค้นไม่พบร่องรอยอะไรทั้งสิ้นเพราะผ่าสิ เหมือนว่ามันติดปีกบินไปอย่างนั้นแหละอดีตนายทหารปืนใหญ่เอ็ดขึ้นอย่างสุดสงสัยรพินยืนงงหันไปรอบๆแล้วเดินย้อนกลับมายัางตําแหน่งที่มาเรียยิงกิ่งไม้ขาดหล่นลงมาขวางทางด่านแต่แล้วขณะที่เขากําลังก้มๆงเงยๆอยู่นั่นเองก็ต้องสะดุ้งเฮือกขึ้นทั้งตัวด้วยความตกใจที่เกิดขึ้นกระทันหัน เสียงร้องลั่นไม่เป็นภาษาดังขึ้นจำได้ว่าเป็นเสียงของชายยันผู้แยกตรวจออกไปทางฝั่งซ้ายของทางด่านตามติดมาด้วยเสียงเอ็ดอึงโวยวายฝั่งไม่ได้สับของดารินและมาเรียที่แทรกภาษาขึ้นพร้อมกันอย่างตนกสุดขีดพร้อมกับไรเฟรลิลจุดนไนโตรก็ระเบิดกึ้กล้องปานหูดับแทรกประสานกับปืนใหญ่ในมือของหญิงสาวทั้งสองผู้ซึ่งมองเห็นเหตุการณ์คับขันเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับเพื่อนชายอันอยู่ไม่ห่างออกไปนัก ่านใหญ่กับเชิฐาเผ่นพ่วจากทั้งสองด้านเข้ามาเห็นภาพพร้อมๆกันชนิดหัวใจแทบหยุดเต้นชายยันกำลังกระโดดตัวลอยพังอถอยหลังอย่างไม่คิดชีวิตล้มลุกคุกคานอยู่ในหมู่โขดหินเตี้ยๆที่งอกอยู่ครุขระเรื่องหลังของเขาแถบของอะไรชนิดหนึ่งเป็นสีแดงค้ากว้างประมาณหนึ่งฟุตยาวร่วมสามวากาลังพุ่งปราดปราดฉวัดเฉวียนเลือ้อยไล่ตามมา ของอดีตทนายทหารปืนใหญ่ติดๆดอย่างรวดเร็วทันทีที่แรยปาดไปเห็นมองไม่ผิดอะไรกับฐานไฟที่เคลื่อนไหวได้ชายยันตะเกียตะกายหนีมาตามพื้นหินขรุขระนั้นเขาอาจเชื่องช้าไปสําหรับวินาทีวิกฤตนี้อันเนึ่งมาจากมือข้างหนึ่งยังไม่ยอมทิ้งปืนถือติดมาด้วยกระสุนนัดแรกที่แผดระเบิดขึ้นคือกระสุนที่ปล่อยออกไปสกัดกั้นแต่แน่ล่ะคงพลาดเป้าเพราะความรีบร้อนตกใจและจวนตัวดารินกับมาเรียเผ่นกระจายกัน ออกไปคนละทางและคงจะช่วยกันระดมยิงด้วยอาการตาลีตะลานไม่แพ้กันนักมนุษยวิทยาหลังจากยิงนัดแรกแล้วปืนก็หลุดจากมือตกลงไปอยู่กับพื้นเพ่าการโดดหนีอย่างควัญบินกระโจนตัวเปล่าริ้วขึ้นไปผวาพลิกหน้าพลิกหลังเลี้ยงตัวอยู่บนยอดเนินสูงระดับเอวส่วนมาเรียแล่นออกนอกทางด่านพืน่อหนีเข้าไปฝั่งขวาซึ่งเชฐากำลังวิ่งสวนเข้ามา ไรเฟิลยังติดมือของหล่อนในขณะนี้กำลังสลัดบอกอย่างเร็วที่สุดเท่าที่หล่อนจะทำได้ตะโกนเสียงหลงบอกอะไรฟังไม่รู้เรื่องหัวหน้าคณะรถลิ้วเข้ามาพร้อมกับปืนเตรียมยิงแต่ก็เสียจังหวะที่ชนมาเรียซะก่อนหล่อนบางทางปืนของเขาในวินาทีอันฉุกละหุกสุดขีดนั้นเท่าๆกับที่ยังมองเป้าหมายไม่ถนัดส่วนลพินก็ลั่นไกไม่ได้เพราะมุมนั้นบางก้อนหินก้อนใหญ่เขาจึงกระโจนพ้นออกมาอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เห็นถนัดขึ้น ระยะเวลาช่วมแมลงเล็กๆ ก, กระพือปีกปิ่นของความขุกขักอันนี้มันสายไปเสแล้วสําหรับชายยันผู้เคาะร้ายเจ้าสิ่งนั้นพุ่งเข้ามาถึงขาด้านหลังของเขาซึ่งกําลังตะกายโลนลาหนีอยู่ทุกคนเห็นในสายตาอันตื่นตะลึงแทบจะช็อกนั้นว่าส่วนหัวของมันงับติดอยู่กับขากรรไกรของชายยันบริเวณเหนือเข่าขึ้นมาเล็กน้อยชายยันร้องสุดเสียงหันกลับมาฟาดด้วยผ ผ่านท้ายเรลเฟอร์มันดุดกระเด็นห่างตัวออกไปพร้อมกับปืนก็ล่วงดุดไปจากมือของเขาอาดีตนายทหารหนุ่มแล่นผาวาโซเซยอย่างคนหมดสติปากอ้ากว้างแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมาจากลำคอของเขาอีกแนมะ้แต่คำเดียว มันม้วนแหวงตัวเป็นเลขแปแล้วก็พุ่งปาดเข้ามาอีกอย่างดุร้ายหมายชีวิตจังหวะนี้เองมาเรียฮอฟมันเพิ่งได้เป้าที่ถนัดกว่าครั้งแรกหล่อนระเบิดจุด3าเออกไปอย่างรวดเร็วฉับพลันที่สุดด้วยสัญชาตญาณพอมันแผดตูมเจ้าสิ่งนั้นก็เหมือนถูกตัดกระเด็นออกไปจากที่เดิมกลางลำตัวฉีกขาดเหลือติดอยู่ร่องแร้งมันยินตวัด เป็นลิงครีแล้วเบนทิศทางจัดเหยื่อพยายามจะลากตัวเองบ่ายหน้าเข้าหาซอกหินเบื้องหน้าเพื่อจะผะหนีส่วนที่ข้อนไปทางด้านหัวยังว่องไวรวดเร็วอยู่เหมือนเดิมแต่ส่วนท่อนปลายที่เกือบจะถูกตัดแบ่งกลางเป็นประสักถ่วงทำให้ไม่สามารถจะเลื้อยไปได้เร็วนะัก ดารินกำปืนสั้นจุดสาเจ็ดห้าแม็กนัมประจำตัวที่กระชากขึ้นมาถือไว้ก่อนแล้วกันทีที่ไรเฟริลพัดมือไปหล่อนก็กระกนำติดตามสนั่นวันไว้ทียิบสองถึงสานัดลั่นเข้ากระทบส่วนหัวและบริเวณก้านคอส่งลำตัวอันยาวเหยียดนั้นให้กระเด็นพลิกคว่ำพลิกหงายไปด้วยอำนาจของลูกปืนแรงสูงที่ล่นเข้ากระทบหล่อนซึ่งหล่อมยิงจนบมดโม่แล้วมันก็ซบหัวแหลกเหลวกองนิ่งอยู่ริมซอกหินตรงนั้นเอง กระดิิเลิกอยู่เพียงแต่ปลายหางและตีนยุ่มยามบางส่วนเท่านั้นแล้วก็นิ่งอย่างเฉียบขาดเมื่อมาเรียซ้ำนับที่สามหล่อนยิงไปยังบริเวณหางที่ดิ้นกระแดวกระแด่อยู่ตรงนั้นอย่างเด็ดขาดซึ่งทำให้มันกระเด็นออกจากลำตัว แล้วพินตกใจต่อเหตุการณ์นั้นจนแทบสิ้นสติเขาตะโกนเรียกชื่อชา ย, ยันออกมาสุดเสียงทันเข้าถึงตัวอดีตนายทหารปืนใหญ่เป็นคนแรกพอคว้าแขนได้ร่างของชา ย, ยันสุดเข่าหวบลงจอมพานทิ้งปืนหี้ยปีกไว้แยะได้อย่างรวดเร็วก่อนร่างนั้นจะหลดลงกับพื้นร่างนั้นอ่อนปวกเปียก เขาประคองลงนอนราบกับพื้นช้อนต้นคอไว้ในอ้อมแขนขย่าตัวร้องเรียกถี่ๆอยู่เช่นนั้นในขณะที่อีกสามคนเพ่นพูเข้ามามุงรอบล้อมตัวด้วยความตนกเหลือที่จะกล่าวใบหน้าของชา ย, ยันซีดเปลือดตาเปิดโพรงอ้าปากค้างอยู่เช่นนั้นดูเหมือนเขาจะพยายามพูดอะไรออกมาแต่แล้วก็พงะแน่นิ่งไปในอ้อมแขนของพานใหญ่เร็วช่วยกันคุณชา ย, ยันถูกมันกัด รับพินร้องเร็วปือวางศีรษะราบลงกับพื้นกระชากผ้าเข่าม้าที่เขียนเอวออกกระโดดเข้ามัดควนขาด้านซ้ายที่ถูกกัดนั้นอย่างรีบร้อนท่ามกลางความตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกของดารินมาเรียผวาเข้าประคองศีรษะขึ้นวางพาดไว้กับตัก เชิฐาสติดีเยี่ยมเท่าเท่ากับพรานใหญ่ไม่ได้ปล่อยเวลาแห่งความเป็นความตายนี่ผ่านไปแม้แต่พิบตาเดียวตรงเข้าช่วยรับผินกับมาเรียอย่างทันควันดึงมีดพับสปริงจากเข็มขัดกระสุนออกมาแหวกกระชากขากางเกงของเพื่อนผู้เคาะร้ายขาดออกเพื่อมองให้เห็นบาดแผลได้ขนดัด ระหว่างที่ระพินผูกรัดคนขาของคนเจ็บในลักษณะขันชนะมีดารินคนเดียวที่หมุนตัวคว้างทำอะไรไม่ถูกสักอย่างนอกจากส่งเสียงเรีกเพื่อนชายเอกอึงอยู่เช่นนั้นหล่อนไม่ได้สติเมื่อเสียงพี่ชายตะโกนเตือนมาว่าน้อยไปตามพวกนั้นให้เอาเครื่องวิชัพั์มาเร็วที่สุด หล่นพังหวาออกวิ่งสวนทางด่านอย่างกระเจิดกระเจิงบ่ายหน้าไปยังด้านที่พวกลูกหาผาตามหลังมาพอพ้นบริเวณกลุ่มขอดหินก็เห็นอีกหกคนกําลังวิ่งแข่งกันลงมาอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งสัมภาระ ล, ะลงมาหมดคงมีเหลือแต่ปืนติดมือมาเท่านั้นเพราได้ยินเสียงปืนที่ระเบิดแทรกสนั่นตึกก้องอันหมายถึงเหตุร้ายเกิดขึ้นบุญคํากับเสยวิ่งนําหน้ากระบวนใกล้เข้ามาก่อนคนอื่นๆดารินก็แล่นสวนเข้าไปร้องตะโคนสั่งสุดเสียงและล่ำและลักแทบฟังไม่รู้เรื่องไป หีดหมอมาก่อนเร็วที่สุดกว่าบุญคำกับเสืจะฟังรู้เรื่องก็ต้องตะโกนซ้ำๆอยู่อีกหลายประโยค